ซึ่งตั้งอยู่บนความผุดพองอันเป็นธรรมชาติของจิตจึงจะรู้ได้ว่าอันความสุขที่ตั้งอยู่บนความผุดพองอันเป็นธรรมชาติของจิตนั้น แตกต่างจากความสุขที่ตั้งอยู่บนความเศร้ามองและจะมองเห็นว่าความเศร้าหมองนั่นเองเป็นเครื่องที่ ทำให้เกิดความหลงเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีพอใจเหมือนอย่างสีต่างๆที่เขียนลงไป บนแผ่นผ้าขาวที่สะอาดสีต่างๆนั้นอันที่จริงเป็นสิ่งที่เศร่มหมองเช่นเมอ่อมีสีมาเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมใส่ หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลจะรู้สึกว่าเป็นความสกปรกต้องซักฟอกล้างให้สีต่างๆนั้นหมดไปแต่ถ้าหากว่า เอาสีนั่นเองที่เห็นว่าสกปรกไปวาดเขียนบนผ้าแผ่นผ้าขาวเป็นทัศนียภาพภาพที่น่าดูก็จะกลับเห็นตรงกันข้ามว่า น่าดูน่าพอใจน่าเพลิดเพลินในจิตตระกรรมที่เขียนขึ้นนั้นไม่เห็นว่าเป็นของสกรปรกก็มีความสุขเพลิดเพลินอยู่ในภาพนั้นแต่อันที่จริง ก็คงเป็นสีที่เขียนซึ่งเป็นความสกปรกนั่นเองเพราะเหตุที่เป็นทัศนียภาพจึงทำให้เกิดความยินดีพอใจเพลิดเพลินทั้ทงนี้ก็เพราะว่า การที่เขียนลงไปเป็นภาพที่เป็นทัศนียภาพเขียนภาพต้นไม้ภาพภูเขาภาพบุคคลภาพสัตว์ต่างๆนี่แหละคือเป็นสังขารที่แปลว่าส่วนผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง และบุคคลก็เก็บเอาสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นมาเป็นสังขารขึ้นในจิตคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นในจิตภาพที่เขียนเป็นต้นไม้ เมื่อดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้ก็มาตั้งเป็นสังขารคือเป็นต้นไม้ขึ้นในจิตภาพที่เขียนเป็นภูเขาป่าเป็นต้นก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งของสีต่างๆ บนผืนผ้าแล้วเข้ามาตั้งเป็นสังขารขึ้นในจิตก็เป็นภูเขาต้นไม้อยู่ในและแม้ว่าไม่ใช่ภาพเขียนเป็นต้นไม้ที่เห็นเป็นต้นไม้ กันอยู่เป็นภูเขาที่เห็นเป็นภูเขาเป็นอยู่เป็นแม่น้ำที่เห็นเป็นแม่น้ำกันอยู่หรือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆที่เห็นด้วยตาที่เรียกกันว่าเป็นต้นไม้จริงๆเป็นภูเขาจริงๆเป็นแม่น้าจริงๆเป็นคนจริงๆเป็นสัตว์ดิเรชันจริงๆเหล่านี้เป็นต้น ก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเหมือนอย่างภาพที่เขียนขึ้นนั้นและเมื่อบุคคลได้มองเห็น ก็เก็บมาเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งในจิตใจปรากฏเป็นต้นไม้ขึ้นจริงจริงเป็นภูเขาขึ้นจริงๆเป็นแม่น้ำขึ้นจริงๆเป็นคนขึ้นจริงจริงเป็นสัตว์เรยายขึ้นจริงๆในจิตใจแม่สิ่งที่ประสบ ทางหูทางจมูกทางลิ่นทางกายและทางมรณะคือใจคือพุดขึ้นในใจจากสิ่งที่ได้เคยเห็นมาแล้วเป็นตน้นก็ตามก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทางนั้นเพราะฉะนั้นแม้ว่ากายและใจของตนเองนี้ ก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งคือเป็นสังขารแม้กายใจของบุคคลทุกคนก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยกันทั้งหมดและก็จิตใจนี้เองก็รับเข้ามา เป็นสังขารคือสิ่งระสมปรุงแต่งขึ้นในจิตใจแต่ว่าจิตใจนี้ดังที่เด็กกล่าวแล้วว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้และเป็นธรรมชาติที่ผุดพองคือพะพัดสอนผุดพอง แต่ว่ายังมีอวิชชาคือความไม่รู้อันหมายความว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลย ก็จะไม่ต่างอะไรกับดินก้อนหินเป็นต้นแต่ว่าทุกๆคนนี่ไม่ใช่ก้อนดินไม่ใช่ก้อนหินเพราะว่ารู้อะไรอะไรได้ดังจะพึงเห็นได้ว่า เห็นรูปก็รู้รูปได้ยินเสียงก็รู้เสียงได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบสิ่งถูกต้องก็รู้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งถูกต้องรู้อะไรทางมโนคือใจก็ทราบสิ่งที่รู้นั้นจึงไม่ใช่กอนดินไม่ใช่กอนหิน เพราะว่ารู้แต่ว่ารู้ดังกล่าวนี้ยังมีอวิชชาประกอบอยู่อันเป็นเหตุให้เกิดโมหะคือความหลงถือเอาผิดต่างๆอันสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเป็นสังขาร น, นั่น ดังที่ได้เปรียบเป็นภาพเขียนในที่แรกก็เขียนให้สวยสดงดงามและแม้ว่าสังขารจริงๆคือที่เป็นต้นไม้จริงๆภูเขาจริงๆคนจริงๆเป็นต้นดังที่ได้กล่าวต่อมา ว่าเป็นซื้อผสมปรุงแต่งเช่นเดียวกันกับภาพเคียนซึ่งเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นก็มาปรากฏเป็นสังขารขึ้นในจิตใจซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ว่าจิตใจที่เป็นธาตุรู้นี้ยังประกอบด้วยอวิชชาด้วยโมหะ ฉะนั้นจึงมีความหลงถือเอาผิดตั้งตนแสมีสัญญน์คือความผูกพันและเกิดความยินดีเกิดความยินไรเพิ่มความหลงต่างๆขึ้นอีก คือเกิดยินดีพอใจซึ่งเป็นราคะหรือโลภะขึ้นในสิ่งผสมปรุงแต่งคือสังขารที่สวยสดงดงามที่น่ายินดีพอใจต่างๆเหมือนอย่างภาพที่เขียนขึ้นให้วิจิตงดงามต่างๆนั้นก็เกิดความพอใจเป็นราคะบังเป็น โลภะโลภอยากได้เข้ามาบ้างถ้าทั้งขาคือส่วนผสมที่ปรุงแต่งนั่นไม่สวยสดงดงามเพราะรุร่งโรยไปโดยธรรมชาติก็ตาม จึงเปรียบเป็นอย่างภาพเขียนที่เขียนให้หน่าเกลียดน่ากลัวให้ไม่สวยสดงดงามต่างๆดูแล้วก็ไม่พอใจก็เป็นจนวนของความไม่ชอบความชังตลอดจนถึงความโกรธความพยาบาทมุ่งร้ายต่างๆ ทำไมที่นั้นก็เกิดความหลงยึดถือติดอยู่ซึ่งมีเป็นพื้นฐานประกอบกับกับเอาวิชาคือความไม่รู้อันนี้เองเป็นเครื่องปิดบังสัจจะที่เป็นตัวความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเหมือนอย่างเป็นภาพเขียนทั้งนั้น ซึ่งภาพเขียนนั้นไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเขียนเป็นต้นไม้เขียนเป็นภูเขาก็ไม่เป็นผู้ต้นไม้จริงไม่เป็นภูเขาจริงเพราะเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งทุกคนก็เห็นว่าช่างเขียนตัวเขียนขึ้นมาคราวนี้สิ่งที่เข้าใจว่าเป็นคนจริงๆ เป็นต้นไม้จริงๆเป็นภูเขาจริงๆซึ่งความเข้าใจนั่นก็ต้องพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก่อนว่านั่นเป็นอวิชชาเป็นโมหะเพราะสิ่งที่คิดว่าจริงนั้นอันที่จริงก็เป็นสังขารคือสิ่งประสมปรุงแต่งเช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกับภาพเขียน ไม่มีต้นไม้จริงๆไม่มีภูเขาจริงๆไม่มีร่างกายใจที่เป็นอัตภาพนี้จริงๆทั้งที่เป็นคนทั้งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงสั่งสอนให้บุคคลทราบถึงสังขตะลักษณะลักษณะคือเครื่องกำหนดหมายแห่งสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ว่ามีสามประการคือหนึ่งความเกิดขึ้นปรากฏสองความเสื่อมสิ้นไปปรากฏและสามเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ นี่เป็นลักษณะของสังขารทั้งหลายดูจากภาพเขียนก่อนเมื่อช่างมาเขียนขึ้นนั่นก็คือว่ามีความเกิดขึ้นปรากฏเป็นภาพของ จึงสิ่งต่างๆและต่อจากนั้นก็เก่าเสื่อมไปโดยลำดับเป็นความเสื่อมสิ้นปรากฏจนถึงเสื่อมไปหมดสิ้นคือผกหรือว่า เลือนหายไปและเมื่อยังตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับต้องเ ล, เลือนไปโดยลำดับจะเห็นได้จากภาพเขียนในบทเก่าๆทั้งหลายบทรั่วบังอะไรบ้างภาพเขียนนั่นก็ เสื่อมสิ้นเก่าเสื่อมไปโดยลำดับและแม่สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งที่เข้าใจกันมาเป็นต้นไม้เป็นภูเขาจริงๆเป็นอัตภาพของบุคคลของสัตว์ใชาตทั้งหลายจริงๆก็เช่นเดียวกัน มีความเกิดขึ้นปรากฏตั้งแต่เป็นกรละละขึ้นในคันของมารดาคลอดออกมาก็เรียกกันว่าเกิดก็ปรากฏแล้วก็มีไวคือความสื่อมสิ้นไปปรากฏโดยลำดับว่าแก่ขึ้น คือเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็แก่ลงก็จำรุดสุดโซมเป็นคนแก่ผมงอกฟันหักความเสื่อมถอยต่างๆของตาหูจมูกิ่นกายและมนณะคือใจไปจนถึงมรณะคือความตายในที่สุด และเมื่อตั้งอยู่นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับเมื่อพิจารณาจึงจะมองเห็นเพราะฉะนั้นจึงได้มีแสดงว่าทุกๆคนนั้นที่เกิดมาเมื่อเกิดมาก็เดินใบหน้าไปสู่ความดับในที่สุดด้วยกันทุกคนไม่มีหยุด สักขนาเดียวหลวพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้มันพิจารณาในเมื่อในปฏิบัติทำสติปัฏฐานในกายในเวทนาในจิตมันโดยลำดับแล้วก็เป็นอันว่าได้อบรมจิตให้เป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมาโดยลำดับก็ให้ศีลสมาธิ อบรมปัญญาต่อไปจับพิจารณาให้มองเห็นว่าเป็นสังขารดังกล่าวมาแล้วและมีลักษณะของสังขารที่ปรากฏดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อันนี้แหละที่ตรัสสอนไว้ว่าอ น, นิจจานุปัสสีตั้งสติพิจารณาให้เห็นตามอ น, นิจจคือความไม่เที่ยง คือความที่มีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อมสิ้นไปนปรากฏเมื่อยังตั้งอยู่ก็เริ่มแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยลาดับไม่มีหยุดยัง้งอันนี้เรียกว่าอ น, นิจจานุปัสสนาเมื่อได้อ น, นิจจานุปัสสนาดังนี้แล้วก็จะได้ วิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีก็ให้ตั้งสติพิจารณาตามดูตัววิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีที่บังเกิดขึ้นก็จะได้ความดับดับความติดใจยินดีดับความเพลิดเพลินก็ให้ตั้งสติ คิดเจรณาตามดูตามรู้ตามเห็นตัวความดับดังกล่าวนี้ที่มันเกิดขึ้นในใจก็จะได้ความปล่อยวางสิ่งอะไรที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะปล่อยวางลงได้ ก็ให้ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นตัวความปล่อยวางนี้ที่ตามสับเรียกว่าสละคืนเหมือนอย่างว่าไปยึดเอาของเข้ามาก็คืนของเข้าไปเมื่อไปยึดเอาสังขารมาเป็นตัวเราของเรา ก็คืนความยึดถือปล่อยสังขารที่ยึดเอามาว่าเป็นตัวเราของเราลงไปออกไปคืนให้แก่เจ้าของเข้าไปก็คืนให้แก่ธรรมดาเพราะที่จริงเป็นธรรมดาทางนั้นซึงจะต้องมีลักษณะเป็นไปดังกล่าวนั้น แต่เพราะยังมีอวิชชามีโมหะจึงไปหลงยึดถือเอาธรรมดานั้นมาเป็นตัวเราของเราซึ่งจริงๆไม่ใช่ของเขาเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเขาเป็นสังขารเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งที่ต้องเป็นไปตามธรรมดาดังนั้นแต่บุคคลไปยึดเอามาเป็นตัวกระเราของเราจึงได้บังเกิดความทุกข์ต่างๆ แต่เมื่อตั้งสติตามดูตามรู้ตามเห็นให้รู้เห็นตามเป็นจริงได้แล้วก็จะปล่อยวางได้คืนเข้าไปคืนเข้าไปแก่ธรรมดาไม่ฝืนไม่ยึดเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันวางทุกข์ลงไปได้โดยลําดับจะเป็นความสิ้นทุกข์ไปโดยลําดับดังนี้เป็นการปฏิบัติในธรรมานุปัสสนาสิริปทาน ที่พระพุทธเจ้าได้จัดแสดงไว้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวะตั้งใจทำความสงบสืบ ต, ต่อไปจักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะ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 แบ่งเป็นสองคือหนึ่งสัจธรรมธรรมะที่เป็นความสัจความจริงและสองสาศาสนธรรมธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้สัจธรรมธรรมะที่เป็นความสัตย์ความจรงิงดังที่ได้แสดงไว้ในปฐมเทศนาก็คืออริยสัจทั้งสี่อันได้แก่ อริยความสัตย์ความจริงที่พระอริยพึงรู้หรือที่ทำภูรูให้เป็นพระอริยหรือที่ พูดกันง่ายๆว่าสัจจะที่เป็นอริยะคือประเสริฐเจริญอันได้แก่ทุกทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกทุกขนิโรธความดับทุกขและมักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก แล้วก็ทรงแสดงสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์ก็สั่งสอนในสัจธรรมที่ตรัสรู้นั่นเองเรียกวั า, าศาสนาหรือาศาสนา ที่แปลกันว่าคําสั่งสอนเพราะคําสั่งสอนแสดงสัจธรรมฉะนั้นจึงเป็นธรรมะขึ้นอีก เรียกว่ า, าศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนสาศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนนี้เพราะเป็นคำสั่งสอนที่แสดงสัจธรรมธรรมะที่เป็นความสัตย์ความจริง จึงเป็นอมตะวาจาวาจาที่ไม่ตายเป็นวาจาที่ดำรงอยู่ดำรงความสัตย์ความจริงอยู่ทุกการสมัยและ